ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะทำจิตของเราให้สงบให้เป็นอรมันเดียวทุกวันการในรายการธรรมะรับปรุณ ช่งของจิตตวิเวคเรามฝึกทำจิตให้มีความสงบกันสติมะตาสุขะเมตติคนมีสติย่อมได้รับความสุขเรามาหาความสุขเข้าสู่จิตใจของเราจริงๆคือเรามาสร้างความสุขในช่องทางใจเริ่มต้นด้วยการตั้งสติไว้ มีสติอยู่กับลมหายใจทำฝังในวันนี้หายใจเข้าหายใจออกสังเกตดูลมหายใจของเราไว้ไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันถี่มันห่างมันค่อยหรือมันแรงอย่างไรอย่างไร อันนี้เราไม่ได้มาฝึกการหายใจแต่เรามาฝึกจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละท่านผฟังเพียงแค่ว่าเราเริ่มต้นด้วยการหายใจแรงๆสักสองสามครั้งเป็นการรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นการตั้งใจขึ้นมา ตั้งใจด้วยการหายใจแรงๆสักสองสามครั้งอ่ะเรามาสังเกตดูสังเกตดูจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมด้านในโพรงจมูกตามฟังไม่ต้องไปสังเกตจุดอื่นๆไม่ต้องไปสังเกตที่ท้องที่อกที่คอหรือที่หูหรือที่ปากหรือที่ตาหรือที่ลิ้น no no สังเกตดูในโปรงจมูกอันนี้สําคัญนะเอาที่เดียวไม่ได้เอาหลากหลายอย่างแต่แน่นอนทุกคฟังเสียงมันก็มาทางหูกลิ่นก็นมาทางจมูกเราก็มาทางลิ้นมันพยายามดึงใจใเราไปดูให้เราไปหาให้เราก็ไปใกล้สนใจสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมละ่ะ ตในที่นี้เรามาสังเกตอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ในปรงจมูสังเกตดูนะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมนึกกับทางกายไม่ต้องบังคับความคิดนึกกับทางจิตว่าความคิดนั้นจะต้องเดียวเถะท่านบอกอยากคิดเรื่องนี้ให้คิดเรื่องนี้โอไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ เดี๋ยวเราไม่ต้องบังคับความคิดด้วยเบื้องต้นตองไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าบังคับความคิดแล้วเราจะปวดหัวนะถ้าบังคับลมเราก็จะเหนื่อยนะถ้าบังคับท่าทางเราก็จะเมื่อยนะทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อ ย, ท, อยทั้งปวดหัวไม่ใช่นะเราจะเอาความ เมื่อยความเหนื่อยและความปวดหัวความปวดประสาทความมึนตึงออกไปจากร่างกายของเราด้วยลมหายใจธรรมฝังด้วยลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะตำแหน่งที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกในปรงจมูก ไม่ต้องมังครับหายใจเข้าสังเกตดูพอหายใจออกให้ความเหนื่อยที่มันอยู่ในกายออกไปพร้อมกับลมหายใจด้วยหายใจเข้าสังเกตดูหายใจออกใหเอาความเมื่อยที่อยู่ในกายออกไปกับลมหายใจด้วยหายใจเข้าสังเกตดูหายใจออก ให้เอาการปวดเอาอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีเรื่องวุ่นวายออกไปกับลมหายใจด้วยสามครั้งดูอฝังหายใจเข้าหายใจออกสังเกตดูลมหายใจของเราเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นความรู้สึกไม่ดีสิ่งที่จะนำอันตรายความเศร้มองต่างๆ ออกไปกับลมหายใจของเราให้มันออกไปเหลืออยู่คือการสังเกตคือสติคนมีสติจึงย่อมได้รับความสุขเป็นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ด้วยบทและพยัญชนะนี้ว่าสติมาสุขเมตสติมานี่เป็นภาษาบาลีนะทุกฟังหมายถึงมี มีสติไงคือสติมายังคนที่มีสตินั้นจะได้รับความเจริญด้วยจะมีความดีเกิดขึ้นด้วยความเจริญย่อมมีแก่ค น, นมีสติทุกเมือ่อความดีย่อมมีแก่ค น, นมีสติทุกเมือ่อสติมาโตสตาพังสติมโตสุเวสยโหยเราตั้งสติไว้ ความไม่ดีความเหนื่อยความเมื่อยความปวดต่างๆให้มันออกไปเหลือแต่ความดีความสุขและความเจริญผ่านทางรมหายใจของเรานี่แหละท่านฟังเป็นหนึ่งในหลายๆสิบวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สอนไว้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการคิดในการพิจารณาคือสำหรับคนบางคลเวลาที่ถ้าให้จะพิจารณาคิดนึกนั่นนี่เหมือนไปทางใหม่อยู่เรื่อยท่านก็จึงให้คเครื่องมือคือลมหายใจเออจะไม่ต้องคิดมากดูโลมาไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพราะมันเป็นการปรุงแต่งที่อยู่ในกายของเราอยู่แล้วเราดูการปรุงแต่งในกายของเราที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งเนี่ยนะทุกังนะมันทำให้มีธาตุไฟคือความร้อนอยู่ในกายของเราได้ทุกฝังที่ฝึกทมฝึกปฏิบัติในรายการธรรมะรับปรุณช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะต้องได้เคยฝึกธาตุกรรมฐานแน่นอน จะต้องได้เคยฝึกการแยกแยะธาตุดินน้ำไฟลมต่างๆจุดหนึ่งคือเรื่องของธาตุไฟนี่คือความร้อนความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหมอยู่ในร่างกายของเรามันเกิดการสันดาบได้มันต้องการออกซิเจนตบฟังออกซิเจนก็คือธาตุลมนั่นแหละเข้าไปนะสนับสนุนให้เกิดธาตุไฟคือความร้อนที่มีเชื้อเพลิงคือธาตุดิน มีการควบคุมเอาไว้โดยธาตุน้ำให้มันไม่ร้อนเกินไปไห้ไฟที่เผาผลาญร่างกายของเราให้สุดโทมให้แก่ชราก็คือไฟที่เกิดจากลมอันนี้แหละลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปหายใจออกนี่มันอุ่นกว่าหายใจเข้าคือชีวิตเราสั้นลงหนึ่งลมหายใจนะ หายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งชีวิตเราก็สั้นลงอีกลมหายใจหนึ่งเอาทั้งนั้นท่านเร า, าหายใจดีไหมอ่ะโอ้ยไม่หายใจก็ตายเลยแล้วไม่เกินหกนาทีาไม่หายใจก็ไม่ได้หายใจยังไงก็ต้องตายอยู่ดีก็ท่านแล้วชีวิตมันเป็นอย่างงี้เป็นของธรรมดามันเป็นอย่างงี้เอาทั้งนั้นจะทำยังไงให้ลมหายใจของเรานีนะ แทนที่ว่าจะพาเราไปสู่ความตายใช่ไหมล่ะไม่ให้ลมห้ใจเนี่ยทำทางไปสู่ความไม่ตายคือความอมตะดีกว่าและทางที่ไปสู่ความไม่ตายคือความเป็นอมตะนี่นะยังมีความสุขด้วยยังมีความเจริญด้วยยังมีความดีด้วยนะคนมีสติย่อมได้รับความสุขความเจริญความดีย่อมมีแก่คนมีสติปัญญ เอาทางที่จะไปถึงความไม่ตายก็มีความสุขความดีและความเจริญด้วยตั้งสติไว้นี่แหละตัวฝังเป็นสิ่งเบสิกเลยเบสิคเบสิพื้นฐานพื้นฐานนี่แหละมันมีความสำคัญสังเกตดูคือสติเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาธินะสติกับสมาธิเนี่ยเป็นคนละอย่างมียัดตนหนึ่งชื่อมนีพันธะเขาไป อาระ บ, บูริเาแล้วก็ไปสอบถามธรรมะหมดนี้ละ่ะเขาบอกว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมือ่อคนมีสติย่อมได้รับความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิดและคนมีสติย่อมหลุดพน้นจากเวรสามอย่างแรกนี่มันใช่อยู่ความเจริญความสุขความดีใช่ไหม ย่อมมีแก่คนมีสติแต่ว่าไอ้คนที่มีสติแล้วย่อมหลุดพ้นจากเวนมันยังไม่ใช่นะตาโบฟังยังไม่ใช่การไม่ปลูกเวนการที่เราจะไม่จองร้ายคขคิดปรารถนาไม่ดีกับใครเนี่ยมันต้องเป็นสมาธิก่อนจิตมันถึงจะดีขึ้นได้พระพุทธเจ้าจึงตอบคำของมณิพันธยัก์นี้ว่า คนมีสตินี่ยังไม่หลุดพ้นจากเวนะเออเพราะว่ามันยังมีความเครียดอยู่มันยังมีความคิดปองร้ายได้มีจิตยังไม่เป็นสมาธิได้สมาธิกับสติมันคนละอย่างกันตบบ้างสติมีก่อนแล้วพอมีกําลังนั่นแหละถึงจะเกิดเป็นสมาธิไอ้ขณะที่เรามีสติอยู่เนี่คือเราสังเกตดูความไม่มีสมาธิความคิดนึก ความจองเวรความอารมณ์เสียความอยากความอารมณ์ร้อนความขี้เกียจสังเกตดูโดยสติก่อนสังเกตดูโดยสติจากที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเราเริ่มตั้งจิตเราไว้อยู่ลมาย ใ, ใจใหายใจเข้าหายใจออกแล้วสติมาแล้วเนี่ยในขณะที่เราก็กลัวอยู่นี่แหละขี้เกียจอยู่นี่แหละเบื่ออยู่นี่แหละโกรธอยู่นี่แหละ หรือบางทีก็คิดบ้าบอฟุง้งซ่านง่วงนอนสังเกตดูลมสังเกตดูลมสังเกตดูลมบางคนจะเข้าใจว่าโอ้ฉันตั้งสติแล้วสมาธิต้องมาทันทีเหมือนไม่ใช่มันคนละอย่างมันต้องมีกําลังมันถึงจะมาได้สมาธิเ้วก็ไม่ใช่ว่าบังคับเอาคือคนที่ชํานาญแล้วจริงๆต น, นั้นแหละตัวฟังแบบดิดนิ้วพราว่คุณเข้าสมาธิได้เลยเรือ ม, มาก อาจารย์ของข้าพเจ้าหลวงพ่อด็ออรสาธิตโอปาโสนี่เคยถามท่านว่าหลวงพ่อใช้วิธีการทำสมาธิอย่างไรคือนึกพุโทโธหรือว่าดูโลหมายใจที่ข้าพเจ้าถามท่านอย่างนั้นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรามีการเปลี่ยนวิธีการฝึกสมาธิจากการดูโลหมายใจมาเป็นพุโทโธหรือบางทีท่านก็สอนพุโทโธ บางที่ท่านก็สอนอาณาปานาสติเอาแล้วตัวท่านเองเนี่ยทํำยังไงท่านนิ่งเลยตั้งฟังนื้ออยู่นานเหมือนกันนะแล้วเพ่็ไม่ได้ตอบเลยซ้ำว่าไอ้ใช้วิธีอะไรโอ้คือท่านนี่มีความชนานาญมากจะให้เข้าสมาธิเนี่ยมันได้เลยมันเข้าเลยไม่ได้ต้องดูลมไม่ได้ต้องนึกพุโ ท, ทโธธรรมโสดังโค หรืออะไรคือมันปุ๊บเลยเอนันนี้คือชานาญมากไงมีความชานาญมากเพราะว่าสตินี้มีกําลังอยู่ตอลอดเวลาคือการฝึกด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยนะระวั ง, งนะคือลมหายใจนี่ไม่ใช่สติเ อ, า, อางี้ก่อนหรือแม้พุทโธสมารหังยุบหนอนพองหนอพวกนี้ไม่ใช่สติแต่เป็นเครื่องมือให้เกิดสติแล้วพอเกิดสติแล้วใช่ไหมมีกําลังแล้วใช่ไหม มันจะเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยไอ้การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางใจมันจะระ ง, งับลงระ ง, งับลงพอมันระ ง, งับลงแล้วกคำพูดโธก็หายไปลมไม่ใช่กับแผ่วเบาลงความคิดนึนกอะไรต่างมันหายหมดอ่ะที่จะมาเป็นคําพูดคำอะไรเนี่ยมันระ ง, งับไปแล้วเลยเอามันก็ไม่มีไงใช่ไงเราไม่ได้จะเอาตรงนั้นไงเราเอาสมาธิไง เพอเฉ้นพอมีความระ ง, งับลงของกายใจวาจาด้วยแล้วในการปรุงแต่งอะไรที่เรายกขึ้นมามันหายไประ ง, งับไปเหลือสมาธิเหลือสติล้วนๆที่ไม่ได้ต้องมีเครื่องมือช่วยละเป็นประวัติชํานาญแล้วไงได้แล้วเอาได้แล้วจะรักษาได้ไหมก็ อ, อีกเรื่องหนึง่งได้แล้วรักษาได้แล้วบางทีหายไปแล้วจะทํากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งไหมนั่นอก็อีกเรื่องหนึง่ง ครานี้เรามาฝึกเรามาทำโด้วยการนึกถึงลมหายใจของเราให้เข้าใจคร่าวว่าสติการสมาธินั้นคนละอย่างเริ่มต้นจากการสังเกตดูลมหายใจของเราเฉยสตยิคือการสังเกตท่านผู้ฟังสังเกตดวงไหก็สังเกตดูลมแล้วแหละพอเราสังเกตดูลมแล้วงไงมันจะเริ่มมีกระบวนการการแยกแยะได้ท่านผู้ฟังแยกแยะตรงไหน เพราะว่าเวลาที่เรามานึกถึงลมหายใจใช่ไหมความระลึกได้นั้นน่นนะคือสติการที่เรามานึกถึงลมหายใจดนะ้คือเราต้องสังเกตดูลมไมการที่เราสังเกตดูลมนั้นน่นนะคือสติดูปะ่ะใช่แต่ย่าไรก็ตามจิตของเรามันมีธรรมชาติอย่างตัง้งแฝังที่มักจะไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตา ช่องทางอเยตนาทั้ง6มีอะไรมากระทบแล้วจะมีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างปรุงแต่งกันไปเกิดขึ้นจิตของเรานั้นจะมีธรรมชาติที่มักจะไหลไปตามอารมณ์เคลื่อนไปตามอารมณ์นี่คือธรรมชาติของจิตของเราแต่ด้วยความเพียรความพยายามที่เราใส่ลงไปในการที่จะสังเกตดูลมหายใจ ตอนนี้ระใส่ความเพียรลงไปใช่ไหมคุณใส่ความเพียรลงไปแล้วอะไรเกิดแล้วฉันต้องมาดูลมแล้คุณก็เห็นลมไงไอ้ที่ว่าฉันต้องมาทําเนี่ยนั่คือความเพียรนะใส่ลงไปแล้วฉันก็เห็นลมไอ้ที่เห็นลมนั่นคือสติไงมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วนะจุดนั้นเลยถูกป ะ, ะอะไความเข้าใจความเห็นที่ว่าเออฉันมาฝึกดูตั้งสติเอาไว้ โดยการเจริญอาณาปานสติยางดีกว่าที่เราจะไปดูทีวีฟังเพลงฟังลำดู t ิกต็อกเล่นเฟ o บุ๊กยูทูบหรือว่าไปเที่ยวไปดื่มความเห็นความเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาวายามะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วนะเออถูกปะละ่ะ องค์นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เขาเก็บรวบรวมมาบันทึกไว้ยอยู่ในประสุที่ชื่อว่ามหาจัตตารีสกสูตรนะ่ะแต่ยังไม่เป็นสมาธินะมีแค่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติตอนนี้พอเรามาตั้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมสัาสังเกตดูลมไปอย่างี้เนี่ยสังเกตดูเนี่ยในจิตที่มันจะมี ลักษณะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เนี่ยด้วยความเพียรที่เราตั้งไว้ด้วยสติที่เราตั้งไว้ไอ้ที่มันจะคล้อยเคลื่อนไปเนี่ยมันจะได้ไม่เต็มที่มันจะอ่อนกำลังลงเพราะอะไรนะก็คุณท้งสติไหวไงไอ้ที่จิตมันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เนี่ยมันจะไม่ไปเต็มที่สมมติว่าถ้าเตียยเป็นเปอร์เซ็นต์มื่ก่อนไปเลยร้0เอร์เซนใครด่าในกจีบเลย หรือใครชมเนี่ยชอบเลยหรือมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นี่ก็ไปเลยคิดเลยปรุงแต่งเลยตอนี้บารมานึกถึงลมอยู่เวลาถึกถึงลมก็มีสมัสามมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วเนี่ยไอ้ที่มันจะไปทางนูน100้นร0อยเอร์ซคถ้าคุณกำลังของมรรคมีคุณมีสักย0สอร์นะหรือสิบห้าก็ได้เนี่ยไอ้การที่จิตเราจะคล้อยเคลื่อนไปทางนู้นเล ย, เยมันก็จะเหลือแ5ด้าเ เหลือแปดสิเอร์เซนเท่านั้นไอ้ยี่สบยี่บ้าเปอร์เซ็นมันยังอยู่ตรงนี้แต่ถ้าฟังดีๆ ด, ด้วยสติดีๆเนี่ยจริงๆมันควรจะเหลือแปดสิบหรือเ5็ดบ้าเปอร์เซ็นด้วยนะที่มันคล้อยเคลื่อนตามไปนั่นนะไอ้ที่มันอยู่เนี่ยมันจึงยังอยู่ยี่สิบห้าสามสิบนู่นนะ่ะที่ไปทั้ง ก, ก็นะเจ็ดสิบหกสิบน่ะเฮ้ยนี่เห็นไหมเตมฟังมันเจอเริ่มมีการแยกแยะ ก, กันละมีการแยกแยะได้ มีการแยกตัวกันออกมาจากกันได้แยกแยะนี่เพราะว่าเราสังเกตเราจึงเริ่มเห็นใช่ไหมเห็นว่าโอ้นี่สัมมาวายมะเอานี่สัมมาสติเนี่ยอันนี้สัมมาทิฏฐิอเนี่ยอะไรคุณคุณแยกแยะได้แล้วเอ๊ะหนึ่งจิตเราคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เนี่ยเราแยกแยะได้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงเป็นการแยกตัวซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่มาด้วยกันเลยมันก็จึงมีการแยกแยะมีการแยกตัวกันเกิดขึ้น จากการที่เรามาสังเกตดูลมหายใจของเราแล้วในขณะที่เราตั้งสติวัยยินดูฟังฝึกําสมาธินี่นะมีส่วนที่เป็นองประกอบมันประเสริฐแล้วสามอย่างใช่ไหมคือทิฏฐิความเพียรแล้วก็สติเราจะทจําจิตเราให้เป็นสมาธินี่ยมันต้องประกอบกันอย่างอื่นด้วยเราจนั่งอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูลม คุณได้พูดอะไรกับใครไหมล่ะเออไม่ได้พูดกับใครฉันก็อยู่ฉันนิ่งๆคนเดียวเราก็ถ้าไม่ได้พูดอะไรกับใครมิจฉาวาจามก็ไม่มีนะที่จะพูดโกหกพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาพูดส่อเสียพูดไม่ดีพูดบิดเบี้ยงกันใช้หอคือปากทิ่มแทงไม่มีนะก็ไม่มีไม่มีก็เป็นสัมมาวาจาง่ายทุฟังออสัมมาวาจ า, าก็เกิดขึ้นเอเกิดขึ้นแล้วด้วย เอานตังเจตนาว่าเออฉันก็จะทำวาจาให้ดีด้วยเพราะตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ดีอะไรกับใครเลยด้วยเจตนานี้ด้วยกิริยาแบบนี้สัมมาวาจาก็เกิดขึ้นทันดีทางกายก็ด้วยนะเขาล้วนั่งสังเกตดูลมอยู่เนี่ยุณได้จะไปแบบข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมหรือเปล่าไม่บางคนนอนอยู่ด้ซ้า เห็นกายนอนแอ n g แม่งอยู่ป่วยอยู่ก็นอนได้แต่ว่าถ้าไม่ป่วยก็ลุกขึ้นนังนะอยู่ในอิริบุอะไรก็ได้แต่เมไม่ใช่เป็นการฆ่าการลักการบระพฤติผิดในกามนะ่ะเอานั้นก็เป็นสมาธิมันต่างไงตําุฟังเราตั้งเจตนาไปเลยพระเราทำสมาธิฝึกตั้งสติเนี่ยเจตนากายเจตนาวาจามันบริสุทธิ์แล้วด้วยเจตนานี้ความบริสุทธิ์มีมาทันที เป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะตามเป็นมาตี่ต้องตั้งเจตนานั้นก็คือเพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิไงเป็นสัมมาทิฏฐินำหน้าผลักด้ันมาด้วยสัมมาวายามาสัมมาสติก็จะทำให้เกิดวาจาเกิดกายที่ดีเอายบหยาบก่อนเอากายเอาวาจาโฟกัสที่ห ย, ยาบๆยเพราะมันเห็นง่าย ชัดเจนมือเราไมา่ได้ขยับปากเราไมา่ได้ขยับเจตนาเรามีพลังสมา ท, ทิิมีพลังเราสังเกตดูแค่นี้สติเรามีพลังเพราะอะไรเพราะการที่เราไม่นึกถึงการกระทรรมที่ไม่ดีไม่นึกถึงก็คือไม่มีมิจฉาสติไงการกระทาที่ไม่ดีทางกายวาจาเราไมา่ได้ไปมิจฉาสติอ่อนกาลัง การกระทําที่ดีทางกายทางวาจาระทำอยู่สัมมาสติมีกําลังความเพียรวิริยะวายามะก็มีกําลังขึ้นมาด้วยทันทีสติเราเพิ่มกําลังจากตรงนี้เลยนะดูฝังด้วยสติที่มีกําลังเพิ่มขึ้นจากการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาความเพียรที่มีกําลังเพิ่มขึ้นจากการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาผลักนั้นเลยทุกฝัง ผลักดันให้เราต่อไปตั้งเจตนาไว้ในความคิดเออความคิดฉันจะไม่คิดเรื่องไม่ดี เ, ออเราแยกแยะได้เรื่องดีกับเรื่องไม่ดีนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิไ อ, อฉันจะไม่คิดเรื่องไม่ดีมิจฉาสังกปะไม่เอาฉันจะคิดเรื่องดีๆสัมมาสังกปะเอาอยู่ด้ดยกาลังความเพียรผลักดัน้ดยกำลังสติเล็งเอาไว้ให้ดี เราจะเอาไอ้เจ้ามิจฉาสังฆปะเนี่ยออกไปได้ความขี้เกียจเนี่ยนะทฝังอุปนิสัยที่ไม่ดีทำไมเรามีอุปนิสัยที่แบบว่า เ, เดี๋ยวขี้เกียจเบื่อง่วงแล้วก็แทนที่จะอ่านหนังสือสอบหรือทําความเพียรหนังสมาธิอะไรต่างๆก็นอนเสียเล่นโซเชียลหรือไปทําอะไรทางที่มันไม่ดี เราปรับเปลี่ยนได้ตรงนั้นเป็นมิจฉาสังกปะเป็นความคิดที่ทำไ้เราเป็นนึกถึงให้อารมณ์ต่างๆที่มันให้ความสุขเราเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นความบริสุทได้นะั่นแหะเป็นมิจฉาสตินะที่เราจะลงมือทําไปนะั่นเป็นมิจฉาวายามะนะแปลเราตั้งไว้จากศีลที่เรามีไงตั้งไว้จากศีลทางกายทางวาจาที่เรามีในสติเราจะมีกําลังความเพียรเราจะมีกําลังและเราตั้งเจตนาไวา้คือสมาธิทิิใช่ไหม เราเอามาจอใช้กับความคิดของเราในการที่จะปรับปรเปลี่ยนพฤติกรรมแนวความคิดนี้พฤติกรรมแนวความคิดที่ว่ามันจะแบบคิดไปเรื่องไม่ดีติเตียนคนนั้นคนนี้หรือการที่ว่าเราเจอปัญหาอุปสรรแล้วเราก็จะไปคิดถึงความสุขเฉพาะหน้าเช่นเฟซบ o ๊กยูทูบติ๊กต๊ o k หรือบางทีบางคนก็ไปทำเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่สาระสำคัญ ดิกลักษณ์ความคิดที่มันมันเป็นมิจฉาสังกปะเพราะเราตั้งจิตไว้ว่าเฉันจะไม่ไปคิดเรื่องไม่ดีนะนี่คือสมาธิที่บลาด้วยกำลังความเพียรกำลังสติที่เราสะสมมาจากทางกายทางวาจาอย่างห ย, ยาบๆแล้วเนี่ยโดยกำลังเนี้ยเอามาใช้ในแนวความคิดคือสังกปะกำจัดสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกปะไปตั้งไว้ด้วยสมาสังกปะ ก็มีเจตนานะหวังก็มีเจตนาในที่นี้คือทิฏฐิถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยนะเราแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรเราจึงจะแก้ไขปัญหานั้นได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยสติโดยความเพียรตั้งเจตนาไว้คือเป็นทิฏฐินำหน้า นัดเอาเจ้ามิจฉาสังกปะออกไปไ ม, มีอะไรบ้างเนี่ยสมาธิติกก็มีแล้วสมาสังกปะก็มีเมื่อกี้สมาวาจาสมากัมมันตะก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วเอาก็ถ้ามีสมาวาจามีสมากัมมันตะสมาชีวะมันก็มาด้วยสมาชีวะก็เกิดขึนเอารางเจตนาด้วยเอา เผื่อมันกรบให้่อมันพร้อมมีกําลังเต็มที่การดําเนินชีพของเราตอนนี้ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เป็นมิจฉ า, าชีวะก็ตั้งอยู่แล้วอย่างปกติดีนั่นเองบางเจตนาแบบนี้เพื่อที่จะรู้จักแยกแยะมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะเอาเราก็มีสมาธิิขึ้นมามีกําลังขึ้นความเพียรความมีสติ ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ดูลมหายใจตอนแรกเอามาใส่ตรงนี้ด้วยเออใช่ตรงนั้นเราก็มีพอเราสังเกตดูรู้ว่ามีกําลังสติกําลังความเพียรเพิ่มขึ้นทันทีจากลมหายใจเข้าไอสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นมิจฉาอาชีวะมิจฉาสติมิจฉาวายามะออกไปกับลมหายใจออกสำมาอาชีวก็เกิดขึ้น สติล่ะก็เกิดขึ้นตั้ง่อนดูลมตั้งแต่แรกนู้นแล้วไงก็เป็นสัมมาสติแล้วที่ว่าเราจะไปทําสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ไมสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงอยู่แล้วออสิ่งที่เป็นกุศลคือสติคือปัญญาคือความเพียรมันเพิ่มขึ้น อ, อันนั้นก็เป็นกุศลเพิ่มไงอกุศลลดกุศลเพิ่มก็เป็นสัมมาวายามะไงสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราดูล้มหายใจนี้แ ล, ะละ้วล่ะมีกี่อย่างแล้วเนี่ย สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติโอมีเจ็ดอย่างแล้วมีเจ็ดอย่างแล้วตบบฟังเจ็ดอย่างนี้โอ้จากตอนแรกไม่มีนะแค่ดูลมหายใจเนี่ยมันมาพร้อมเลยนะเจ็อย่างนะดูลมหายใจตรงไหนเนี่ยสังเกตเนี่ยสติคือการสังเกต พอสังเกตแล้วเราเริ่มแยกแยะอะไรต่างๆได้ใช่ไหมตามที่ว่ามามีการแยกตัวจากสิ่งที่บรรพุสุลธรรมมีมิจฉาสังกั บ, บป่มิจฉาวาจาเป็นต้นให้มาทางสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากมรมตาส ม, มาชีวะแยกตัวกันแล้วแยกตัวกันแล้วนี่จึงเป็นลักษณะที่พระพุิธชายยืนยันไว้ มันนี้พัทธยักษ์ที่ว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิดเรามีสติกันมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มีเมื่อตอนนี้นะเมื่อกี้เนี่ยก็ถึงเมื่อนี้มันมาตลอดเนี่นี่คือคนมีสติการพัฒนาเกิดดันดี มีการเจริญมีการพัฒนาทันทีเอาช่วงเวลาไม่นานนี่มีการพัฒนาแล้วมีความดีแล้วและเมื่อองค์แห่งมัดเจ็ดอย่างไหลไปจากสติความเพียรอาชีวะทางกายทางวาจาทางความคิดจนถึงทิฏฐิแวดล้อมจิตของเราอยู่จิตของเราเนี่ยถูกฝังด้วยไอ้มิจฉาเจ็ดอย่างนี่มันออกไป โดยสัมมาจิตญาณที่มีอยู่ตอนนี้จิตเราจะมีความระงับลงระงับลงแน่นอนเพราะความเจริญความดีการพัฒนามันอยู่ตรงนี้พัฒนามาดีแล้วระงับลงระงับลงระงับลงมีการปรุงแต่งทางกายระงับมีการปรุงแต่งทางจิตระงับการปรุงแต่งทางกายเช่น มือไม้จะขยับไปแน่นอนแล้วว่าจะไปเป็นมิจฉาสังกับปะมิจฉาชีวะไม่มีละด้วยความระ ง, งับลงระ ง, งับลงเนี่ยระ ง, งับจนถึงแบบว่าบางทีลมหายใจเนี่ยมันมันเบาไปเลยนะเหมือนหายไปเลยนะแต่มันไม่ได้หาย เ, เรล่าไม่งั้นเราก็ตองตายเวลาใช่ไหมล่ะแต่มันเบามากมเบาบางมากจนแทบจะสังเกตไม่ได้เลยแต่มันมีอยู่นะมีอยู่นิดนิดสังเกตดูดีเราจะมีจะเห็น อยู่ตรงที่ปร่งจมูกนั่นแหละทีนี้มันเราไม่ต้องไปปรุงแต่งให้มันแรงขึ้นมาอีกนะทุกฝั่งนะคือมันก็เด็กน้อยเนี่ยเขาหลับไปแล้วนี่ยอย่าไปเรียกขึ้นมาเดี๋ยวมันร้องหยมร้องไห้อะไรีกให้มันหลับนิ่งๆไปเหมือนกันจิตของเราพอมีการปรุงแต่งทางกายระงับแล้วไม่ต้องไปให้ใจแรงๆขึ้นมาอีกให้นิ่งๆไปให้มันกับมันไม่มีไปเราแค่อาศัยตั้งจิตของเราไว้เหมือนเดิม อยู่กับสติตรงนั้นะมันมีอยู่แล้วไม่ต้องมีการปรุงแต่งทางกายก็ได้การปรุงแต่งทางใจก็ด้วยต้องฟังพอจิตเราระ ง, งับลงระ ง, งับลงด้วยการปรุงแต่งทางจิตการปรุงแต่งทางใจที่น้อยลงเรื่องความคิดนึกที่เดี๋ยวต้องไปทำสิ่งนี้เพราะพูดกับคนนั้นเรื่องนี้มีสัญญาสังขารเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนจะ เบาบางลงระ ง, งับลงที่ขี่ออกไปได้ตั้งแต่แรกก่อนเลยนะคือมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาคือเราจะพูดอะไรออกไปใช่ไหมมันต้องแบบว่ามีการเรียงเรียงคําพูดมีสัญญาอยู่ในช่องทางใจก่อนเรืองถึงจะค่อยพูดออกไปได้อล้วก็ตอนนี้คุณไม่ได้พูดอะไรไส่วนที่มันจะต้องมาคิดอะไรส่วนที่จะต้องไปเป็นคําพูดนั้นก็หายไปใช่ไหมหรือบางทีอาจจะไม่ได้พูดแต่ต้องคิดไว้ก่อน คิดไว้ก่อนก็เป็นสังกปะง่ายแต่พอเราตั้งเจตนาไว้อย่างกแยก่มิจฉาสังกปะรุดไปก่อนเพื่อเลยมิจฉาสังกปะหลุดไปก่อนเหลือแต่ความคิดที่ดีๆเป็นสัมมาสังกปะแล้ว น, น, วนั่นน่ะก่อนหน้านี้มีมาแล้วทีนี้พอมีการปรุงแต่งทางใจระ ง, ง, งับลงระงับลงให้ความคิดนึกไปแนวเรื่องดีๆมันก็เบาบางลงไปด้วยนะตัาวฟังนะจะคิดเรื่องดีหนึ่งก็ไปได้คิดด้วยละ่ะมันก็เบาบางลงไปด้วย เออความคิดนึกบางทีบทว่าพุทโทสัมมาอระหังยุบเนอพองเนอมันายไปเหลือแต่สติล้วนล้วนลักษณะการปรุงแต่งทางกายการบปรุงแต่งทางจิตที่อระ ง, งับลงอันเป็นผลขององค์แห่งมรรคทั้งหมดเจ็ดอย่างแวดล้อมจิตของเราอยู่สงบลงระ ง, งับหลงเนี่ยจิตนั้นนั้นอนะ่ะคือ สัมมาสมาธิตะบวังเป็นสัมมาสมาธิอยู่ในตัวองค์ประกอบแห่งมักเจ็อย่างแวดล้อมจิตอยู่จิตระงับลงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั้นคือสัมมาสมาธิองค์ประกอบทั้งหมดแปดอย่างอยู่แวดล้อมตัวเราแล้วตอนนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก ฉันจบว่าคนมีสติทุกเมื่อนี่ต้องมีความเจริญนั่นคือการพัฒนามีการพัฒนาพัฒนาคือความเจริญจากที่มีไม่ครบมีนิดหน่อยมีบางอย่างไม่เต็มด้วยจ๊อประกอบจุดนี้เข้ามาตรงนี้สังเกตดูสังเกตตรงไหนสิ่งนั้นมีกำลังขึ้นมาอะไรต้อ ง, งนะสังเกตตรงไหนจิตเรานอนไปตรงนั้น จิตเราน้อมไปตรงไหนสิ่งนั้นมีปลังขึ้นมาทันทีเราสังเกตดูลมเนี่ทำไมองค์ประกอบแบบอย่างมันพัฒนาขึ้นมาก็นี่ไงสติจะไม่มีความเจริญคือการพัฒนาความดีเกิดขึ้นความไม่ดีลดลงความดีในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมลดลงที่ว่าความดีย่อมมีเนี่ยคือสติมโตสุเวสโย ความดีคือเพิ่มกุศลลดความไม่ดีคือละอกุศลความเพียนอยู่ตรงนั้นแล้วเลยสติกับความเพี่ยนมันจึงเริ่มมาเป็นกำลังผลักดันมารวบรวมกอบกู้ตุ่มโฮมกันเข้ามาจากหยับหยาคือทางกายทางวาจาอาชีวะมาจนถึงละเอียดขึ้นเป็น สังกับปะตั้งความคิดในทางใจตั้งเจตนาไว้ดีแวดล้อมสะสมเข้ามานี่สมาธิเกิดแล้วสมาธินั่นแหละตังะ้งบุฝังคือความสุขจึงบอกว่าสติมาสุขเมตติย่อมมีความสุขสุขในสมาธิสุขในใจไม่ได้หาความสุขภายนอก ที่เกิดจากดนตรีคือทางหูเป็นเสียงเกิดจากอาหารทางลิ้นนั่นคือรสเกิดจากภาพสิ่งสวยงามต่างๆผ่าน่างตานั่นคือรูปหรือจะเป็นสัมผัสอะไรที่มันนุ่มเยน็นละเอียดนั่นเป็นบทปะะ่านมาทางกายทางสัมผัสของเราหรือจะเป็นความคิดนึกเรื่องเงื่นๆต่างๆได้ เป็นการมสัญญาให้เปลี่ยนเล่นุ่มหลงไปไม่เอาสังกปะแบบนั้นก็ไม่เอาเหลือความสุขในภายในไงตั้มบฟังเป็นความสุขชนิดที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเป็นอามิ t h เป็นความสุขที่เป็นภายในคือเป็นนิรามิตเป็นความสุขที่เป็นภายในอย่างนี้จิตเรายิ่งจะระงับลงดีขึ้นหรือว่ามีความสุขอยู่ในภายในเป็นความสุขที่ละเอียดประณีต เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในช่องทางใจตรงนี้จึงเป็นการแยกความแตกต่างเอาไว้ที่ปราปุจจาบอกกับมันนพันธยักว่าถ้าบอกว่ามีแค่เพียงสติมันยังหลุดพ้นจากเวรยังไม่ได้นะที่ยักษ์เขาบอกว่าคนมีสติย่อมหลุดพ้นจากเวรคือมันยังต้องต่อไปอีกท่านบอกว่าคนที่มีใจยินดี ในความไม่เบียดเบียนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสรรพสัตว์ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับไกรไกรใความเมตตาความไม่เบียดเบียนเนี่ยคืออะไรก็คือสังกปะไงท่านผู้ฟังเป็นสัมมาสังกปะซึ่งมันละเอียดดูข้างในใจของเราเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่ให้จิตคนนั้นเป็นสมาธิ สมาธิมันจึงต้องเกิดเพื่อไม่ให้มีการผูกเวรเป็นคนละอย่างกันกันกบสติสติก่ออันหนึง่งสมาธิก่ออันหนึง่งแต่จะมาเจาะจงตรงนี้ก็เป็นสังกปะก่อย่างหนึง่งสตินี่ก็เป็นมิจฉาสติสมาสติมีนะสังกปะที่มันคนละอย่างกับสติเป็นมิจฉาสังกปะสัมมาสังกปะก็มีนะสังกปะเปรนรอความคิดความดำริ ลักษณะความที่เราด âm ฤิไปในการเบียดเบียนด âm ฤติไปในพยาบาทด âm ฤติไปในทางกรรมนั่นแนหะคือเป็นมิจฉาสังกปะเป็นความด âm ฤิพิษเป็นความด âm ฤติที่ไม่ดีแต่พอเราไม่เบียดเบียนมีเมตตาคิดที่จะนําออกนั่นเป็นสมมาสังกปะเป็นความด âm ฤติชอบความด âm ฤติก็อย่างหนึ่งไม่ใช่สติ แต่พอองค์เจ็อย่างนี้มาแวดล้อมประกอบกันกับจิตจิตเราเป็นสมาธิทันทีความไม่เบียดเบียนมีอยู่ตรงจิตนี้นั้นทันทีความเมตตามันออกมาทันทีตะวันตกบุคคลผู้มีองค์ประกอบ8อย่างอยู่ในจิตแล้วเนี่ยนะจะสามารถอดทนได้จะสามารถไม่เบียดเบียนได้สามารถที่จะมีเมตตาจิตได้มีความรักใกล้เอ็นดูได้ ตอบสนองไปด้วยสีอย่างนี้องค์ประกอบที่ประกอบกันอยู่ในจิตของเรอย่างนี้เรารักษาให้ดีเลยตัมโบฟังเพราะนี่ถือว่าสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคือใน้ดอย่างเนี้ไหลแบ่งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่นะถ้าเราจะแบ่งก็จะได้สามอย่างเนะืรวมกันคือเป็น ส่วนปัญญาคือทิฐิและความดำริส่วนที่เป็นศีลคือวาจากายและอาชีวะส่วนที่เป็นทางจิตคือประกอบกันเป็นสมาธินั้นคือวาามะสติและสมาธิแยกเป็นสามส่วนได้ง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียงกันว่าเป็นปัญญาศีลสมาธิในสามอย่างนี้ถ้ารวมกัน เอาสองอย่างบอก็เป็นสมถะและวิปัสนาสมถะและวิปัสนารวมกันเอาอย่างเดียวบ่ก็คือสติสติอย่างเดียวมีมาตลอดนี่นะแยกออกได้เป็นสมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนาเคียงคู่กันไปแยกออกได้มันต้องประกอบมาจากศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาจะมาประกอบกันได้แยกออกได้เป็น องค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะนั่นคือปัญญาสัมมาวาจาสมากรรมตาสัมมาอาชีวะนั่นคือศีนสัมมาวียมัสมาสติและสมาสมาธินั่นคือตางจิตหรือตางสมาธิประกอบกันนี้เรารักษาไว้ให้ดีตั้มปฟัง สมถะและวิปัสนาอยู่ตรงนี้แล้วรักษาไว้ให้ดีแล้วยังไงก็ดำเนินชีวิตของเราไปตามธรรมดานั่นแหละดำเนินชีวิตของเราไปตามธรรมดาด้วยสิีนสมาธิปัญญาใช่ไหมจะพูดกับใครก็อย่ามันผิดเป็นมิจฉาวาจาจะคิดนึกถึงใครเกิดให้มันเผลอสติหลุดออกสมถะวิปัสนาเนี่มันหลุดแล้วมันก็จะไปคิดไม่เดียวคนอื่นเรารักษาไว้ให้ดี คำว่ารักษาวให้ดีเนี่ยคนมักจะเผลอท่านผูฟังเผลอแบบว่ามีใครอะไรมาพูดยังไงเห็นสิ่งใดคิดสิ่งใดไปได้เสร็จปุ๊บหลุดออกจากมาร์กเลยนี่นี่คือเผลอแล้วหลุดออกจากมาร์กนี่หมายถึงไงในเผลอหลุดออกจากมาร์กนี่เราไม่รู้ตัวนะเพราะเผลอไงเผลอคือไงก็ตอบสนองไปในทางแบบไม่ดีคิดอกุศลหรือพูดแบบเน็บแนมหรือแบบกลัวหรือแบบกังวล ความกลัวความกังวลเนี่ยมันกว่าเป็นมิจฉาสังกปะไงเอามันโปลดไม่ได้ไงพราะมีความคิดนี่มากระทบมีเสียงนี่มากระทบอา้าวเนี่ยไเปลอแล้วหลุดออกจากสมาธิวิปัสนาละศีลจะมาที่ปัญญาไม่ครบละหลุดออกแล้วโอ้ง่ายๆนี่นะใช่ง่ายๆนี่แหละนั่งอยู่ที่เดิมนะไม่ได้ลืมตาด้วยนะมือไม้ไม่ได้ขยับร่างกายไม่ขยื่น มีความคิดอะไรมาปุ๊บนิดนึงหรือเสียงอะไรมาปุ๊บนิดหนึ่งมีความกังวลมีความคิดนึกปรุงแต่งไปในทางอากุศลนิดหน่อยเนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วเผลอแล้วเผลอแล้ ว, ล, วลืมแล้วเผลอแล้วลืมแล้วทําไงตั้งขึมาถูกวังเหมือนเสามันลม้มลงอะ่ะอุสาศ์ปากไว้อย่างดีเอา้าแต่ดีๆเนี่ยมันดันบนดินเลนบนกองแกลบปากลงไปก็ไม่ลึก โอ้ยลมพัดโดนลมเนีเอาไหมฮะตำแหน่งที่มันจะแน่นๆน่นดินดีๆปักลงไปให้ลึกๆตั้งสาวเป็นใหม่เติม่ฝังตั้งสถิตขึ้นใหม่หยามอีกสามอีกเพราะนี่คือสมถะและวิปัสสนาไปด้วยกันนะไอชุดที่ว่ามีอะไรมากระทบแล้วคุณจะรักษาได้ไหมนั่นคือวิปัสสนาเลยนะสมถะวิปัสสนาอยู่ด้วยกันเนี่ยแสดงว่าเรายังอ่อนกําลังของวิปัสสนา ทำให้เวลาที่มีอะไรมากระทบเรามันจึงแบบไม่แน่นหลุดได้เอาก็เพิ่มกำลังวิปัสสนาคือที่พระพุรชาติฯต้องอธิบายแบบว่าอย่างก็มีสมอย่างก็มีสองอย่างก็มีหนึ่งอย่างก็มีเนี่ยคือมันมองคนละมุมมองคนละดานคือถ้าเปรียบในทางวิศวกรรมเนี่ยคุณมองจาก Time d o ดเมนหรือมองจากฟรนะีกูนซี่โดเมนอะ เออเป็นลาปา s ์ทรานสฟอร์มเป็นฟูเรียทรานสฟอร์มอุ้ยท่านพูดเรื่องอไรเนี่ยก็เหมือนดูฟรีม็กซเรย์เนี่ยแหะทูฟังทำไมเวลาป่วยก็ต้องส่งไปเครื่องเอ็กซเรย์เครื่อง็กซ์เรย์ทีเดียวก็น่าจะพอไหมเดี๋ยวต้อง X เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือต้องทำซีทีสแกนต้องทำ MRI. เอ็มอาร์ไอแล้วมันต่างกันตรงไหนท่านมันก็ร่างกายเดียวกันมองคนละมุมมองคนละมุมมองคนละอย่างจุดเดียวกันนั่นแหละ ที่เดียวกันนั่นแหละแต่มองคนละแบบแต่มองจากสมถาวิปัสนาคุณเห็นส่วนพระองของวิปัสนาหรือสมถะไหมมองจาก3อย่างอา้าสีคุณพระองค์ไหมอธิบายอย่างนี้อา้าถ้ามองจากปัญญาไม่เห็นเออมันความคิดมันไม่ทันเอา้าแยกออกมาเป็น8อย่างเห็นสังกปะไหมความดำบริเห็นไหมเอา้าแยกออกมาให้เห็นช่องโหวเห็นรอยต่อเห็นจุดที่เราจะแก้ไขพัฒนาปรับปรุงได้ ตั้งสติขเราขึ้นไว้ทุังตรงไหนมันอ่อนกำลังตรงไหนมันเป็นจุดโหวช่องโหวซ่อมมันตรงนั้นแก้ไขมันตรงนั้นตั้งสติของเราขึ้นจากลมหายใจเอาใหม่นี่คือกรณีของท่าบอกว่าหลุดไปแล้วนะก็หายใจลึกๆหายใจายาวๆใหม่ถ้ายังไม่หลุดก็รักษาความนิ่งๆส ง, สงบสงบเอาไว้ถ้าเรารู้ว่าพอมีอะไรมากระทบแล้วเราหลุดหลบเหลือเพิ่มตรงวิปัสสนามันซะ เพิ่มงไงก็เอาสมาธินั่นแหละมาใช้ทุฟังเอาสมาธมาใช้เพื่อเพิ่มวิปัสสนาเอามักอื่นๆมาใช้เพื่อเพิ่มก็จะรอบรองอยู่เจนตั้งแต่ตอนต้นรายการนี้เราเอาสติมาใช้นับอันเดียวใช่ไหมมองเห็นอย่างเดียวเอามาดูแปดอย่างโู้มีสมาธิเราก็ยังไม่มีเออทั้งนั้นเราเอาสติกับความเพียรเนี่นมาให้เกิดทิฏฐิที่ถูกต้อง เอาไปใส่กับสังกับป่าก็เป็นสัมมาสังปาขึ้นมาเอาไปใส่กับวาจาก็เป็นสัมมาวาจาขึ้นมาเอาไปใส่กับกรรมันตาก็เป็นสัมมากรรมันตากขึ้นมาอาชีวะด้วยเนี่ยเออเพิ่มออกมาได้แปดอย่างละดีละเราดูสามอย่างศีลสมาธิปัญญาออกบหมืนที่เรามีศีลออกศีลมาเพิ่มสมาธิมีสมาธิเอกมาเพิ่มปัญญาเออแบบนี้ก็ได้อยู่ที่มองมุมไหนจะพิจารณาด้านใดอ่ะมันพลิกแปลงได้หมดเนี่ยบุฟังตรงนี้ถ้าเราจะบอกว่า ม่มีภาษาอะไรมันก็ต้องรัชกฏหลุดอยู่เรื่อยอ่านในกุยกุณพร่องตรงวิปัสนาเพิ่มตรงนี้ดูตรงสมถาวิปัสนากูมีอยู่สองอย่างจะเอาอะไรเพิ่มอะไรอะกระทั่วิปัสนาอ่อนก็เอาสมถะนั่นละเพิ่มวิปัสนาทํำยังไงก็ในขณะที่เราจิตสงบอยู่เนี่ยเอามาทําการแยกแยะกายก็รออกแยกแยะตัวตนก็ร อ, อ ก, กได้ทำวิปัสนาคือตรงแง่มุมพวกเนี้ยตัง้งัง ที่เราจะได้ยินครูบาอาจารย์ทั้งพระชาประสงค์ทั้งกษัริย์คารวาส ท, ที่เขาสอนธรรมะเนี่ยนะเรื น, นี้ก็จะพูดแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเท่านั้นหรือพูดจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งเท่านั้นทร น, นี้กับพระเจ้าเนี่ยมาจับยัดกันอยู่ด้วยกันเนี่ยหวังว่าทุกฝั่งคงจะนึกภาพออกเกิดความเข้าใจนะว่าเอาตอนนี้เรามองจากมุมของสมถวิปัสสนาเราจะเพิ่มการวิปัสสนาด้วยจิตของเราที่สงบ ดูกายของเราก็ได้อยากเป็นผมคนละผันหนังหรือดูในช่องทางใจก็ได้เห็นกายก็เป็นการเห็นกายในกายเห็นจิตก็เป็นการเห็นจิตในจิตหรือูจากความรู้สึกนั่นก็เป็นการเห็นเวทนาในเวทนาความรู้สึกนี้มันคืออะไรสุกมีทุกข็มีเกิดขึ้นแล้วโอ้เห็นความไม่เที่ยงของมันนั่นก็เป็นวิเวสนาในเวทนา หรือจิตของเราเนี่ยมันมีความคิดนึกปรุงแต่งไปยังไงมีราค่าหรือไม่มีราคาโนโนเรามีสติตัต้งไว้สิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาสมถะวิปัสสนาก็เกิดขึ้นในการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธรรมะดีกว่าตอนนี้เราไม่เห็นธรรมะเห็นธรรมคือความเป็นกวางไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาโดยการเห็นความเป็นอนัตตาคือ ความที่มันไม่ใช่เป็นของตัวมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นต่างๆสิ่งอื่นต่างๆที่มาประกอบกันเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วจึงเกิดเป็นผลขึ้นเิ่นตัวเราอย่างเงี้ยมีมาได้ไงตัวคนอื่นอย่างเงี้ยมีมาได้ไงสัตว์โลกนี่มีมาได้ไงออกมนประกอบจากธาตุสีดินน้ำไฟลมประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตเรามีวิญญาณมีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันถึงเป็นตัวเราขึ้นมาคนหนึ่งเราก็สมมุติเรียกว่านี่คือไหนนี้อันนี้คือนางนี้ชื่อนี่น้ำสกุลนี้สมมุติขึ้นมาจากเหตุเงื่อนไขปัจจัยตอนแรกจริงๆไม่มีไม่เป็นไม่ใช่อย่างนี้เอาดินเน่ยดินก็เป็นดินน้ําก็เป็นน้ําไฟก็เป็นไฟลมก็เป็นลมไม่ได้จะมาเป็นคนเป็นอะไรมันก็เป็นอาหารตป็นอะของมันไออาหารที่ว่าเป็นอาหารมันก็ไม่ได้เป็นอาหารมาก่อนมันก็เป็นต้นไม้มาก่อนนะ มันก็เป็นสัตว์มาก่อนเราทาไมตอนนี้เรียกอาหารน่ะอหมูอยู่ในเล้าเราบอกโซก็ปลาะโซก็เปราะแต่พอเข้ามาทําเป็นหมูอยู่ในจานเอออร่อยอร่อยดีๆีน่ากินน่ากินเฮ้ยสมมุติทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการปรุงแต่งของสิ่งต่างๆตามเงื่อนไขปัจจัยเข้ามาันมาแต่ปรุงแต่งแบบนี้ก็สมมุติเรียกชื่อนี้นั่นแหะอันตาเลยโดยตรงเลย มีอนัตตาแบบนี้ปรุงแต่งกันมาอย่างนี้ไม่ใช่ของมันโดยส่วนเดียวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสิ่งอื่นประกอบกันเป็นอนัตตาแล้วสิ่งใดที่เป็นอ น, น, นัตตาเนี่ยมนไม่เที่ยงนะสมมติเอานะมันไม่ได้จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลชานานนะเช่นอาหารระวางอยู่ในจานสวยงามน่ากินดีพอไปวางอยู่บนพื้นจานนี่แหลนะนั้นไปวางอยู่บนพื้นเนี่ยโอ้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสม ยิงอาหารทั้งหมดไปกองอยู่บนพื้นเลยไม่มีจาน ร, ร้องโอ้กินไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วโซกปบอกแล้วอีกคนหนึ่งบอกไม้ ai, ยังไม่พอห้าวินาทีเลยเอาขึ้นมาได้กินได้อยู่ห้าวินาที5 seconds rule โอ้ยมสมมุติทั้งนั้นนะตามเงื่อนไขปัจจัยสุนัขมีมันยังกินมันยังไม่ไดีจะรู้สึกว่าสกปรอกหรืออะไรมันชอบด้วยสกบอกสงกบอกอะถือว่าเป็นของเลิศรสเป็นกองฮรุฮาระ มันตามเงื่อนไขปัจจัยสมมติเรื่องเอาตามสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นๆเป็นอนัตตามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาถ้าเหตุเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะคงที่คงตัวอยู่โดยไม่ทุกข์ไม่เปลี่ยนสภาพเนี่ยไม่ได้การเปลี่ยนสภาพนั่นแหละก็เรว่าทุกข์ที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมได้ยากเป็นลักษณะที่ถูกบีบขันจากเหตุ ปัจจัยของมันเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะค่อยมาพิจารณาเรื่องทุกขสัญญาในวาระโอกาสต่อๆไปวันนี้เราให้เห็นความเป็นนันตตาของกายของใจเรานี้มองจากสมถะวิปัสสนาตรงนี้ก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาเราก็มีกำลังขึ้นมาเวลามีเรื่องอะไรมากระทบเราเห็นจากความเป็นวิปัสสนาสองอย่างสมถะก็มีกำลังขึ้นมาได้ มักแปดเราก็ดำรงอยู่ได้ศีล ส, สมาธิของเราก็ไม่เสียไม่หายสติเราก็มีกำลังจะหนึ่ง5สาห้าหรือ8ดนี่ไม่ได้ให้หวย น, นะได้หมดท่านผู้ฟังดีเยี่ยมเลยพัฒนาได้มีกำลังดีคนมีสติจึงได้รับความสุขคนมีสติจึงมีความจริญมีการพัฒนา คนมีสติจึงได้เป็นคนดีสามารถหลุดพ้นจากเวรมีการไม่เบียดเบียนมีเมตตามีความรักใคร่เอ็นดูเป็นเส้นทางที่จะนำจิตกระบอกไปสู่ความหลุดพ้นได้ตมบวฟะธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สอนไว้ผ่านสื่อต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นืันทึกไว้เป็นตำราคัมภี มีครูบาอาจารย์บอกสอนกันต่อมาขอให้ท่านฟังทั้งหลายได้จงเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ข้าพเจ้ารู้ธรรมอันใดเห็นธรรมอันใดขอให้ท่านฟังนั้นจงเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งธรรมะนั้นด้วยได้เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงธรรมะเหล่านั้นเหล่านั้นด้วยเรามาแผ่เมตตากันสักเล็กน้อยก็อย่างได้ท่านฟัง เบือ้อจิตของเราที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเหล่านี้ให้ตั้งจิตเอาไว้ด้วยกับเมตตาเมตต า, าอยู่ในใจของเราแล้วให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวง ที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากจะใดดังนั้นก็โดยจิตแผนเป็นไปด้วยกับเมตตาแปรไปยังสรพสัตทั้งหลายเชะนเดียวกั น, นก็ให้สรพสัตทั้งหลายจงมีความสุข จงมีความเกษมจงมีความเจริญในที่ทัานได้ฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตาวิเวกเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบในรายการธรรมรับอรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีขาาา้าพเจ้าพระมหาไปบู์ หากพี่ปุนโนเป็นผู้ดำเดนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางพอดแคสต์ใน Spotify หรือ Apple Podcast หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ปัญญา o r g panya.org หรือว่าทหรือทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือ Facebook ก็มีให้ติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ส่วนป่ญน